พระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่ส2องพระสูตรที่38มหาตันหาสังคยะสูตรสูตรว่าด้วยความสิ้นไปแห่งตันหาสูตรใหญ่พระผู้มีประภาคประทับนเชตวนารามสมัยนั้นภิกษุชื่อสาติผู้เป็นบุตรของชาวประมงเกิดความเห็นผิดขึ้นว่าวิญญาณดวงนั้นนั่นแหละแล่นไปท่องเที่ยวไป ไม่ใช่ดวงอื่นคือถือว่าวิญญาณเที่ยงเป็นตัวยืนในการเวียนว่ายตายเกิดภิกษุทั้งหลายว่ากล่าวตักเตือนว่าพระผู้มีพระภาคไม่ได้ตรัสเช่นนั้นก็ไม่เชื่อฟังความทราบถึงพระผู้มีพระภาคจึงตรัสสั่งให้เรียกตัวภิกษุชื่อสาติมาสอบถามและชี้ให้เห็นว่าเป็นการกล่าวตูพระองค์เพราะพระองค์ ตรัสอยู่โดยปริยายเป็นอนเนกว่าวิญญาณเกิดขึ้นเพราะอาศัยปัจจัยเว้นจากปัจจัยความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณย่อมไม่มีคือเมื่อเกิดเพราะอาศัยเหตุปัจจัยจึงดับได้ไม่ใช่ของยั่งยืนดังที่เข้าใจผิดไปนั้นภิกษุชื่อสาติก็นั่งก้มหน้าเก้อเขินถอนใจ พระผู้มีพระภาคตรัสสอบถามความเข้าใจของภิกษุทั้งหลายก็กราบทูลตอบตรงตามหลักคือวิญญาณเกิดขึ้นเพราะอาศัยปัจจัยอื่นจากปัจจัยความเกิดแห่งวิญญาณย่อมไม่มีครั้นแล้วจึงทรงแสดงการที่วิญญาณอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นอันทำให้มีชื่อเรียกคืออาศัยตาอาศัยรูปวิญญาณเกิดขึ้น เรียกว่าจักขคูวิญญาณหรือความรู้แจ้งทางตาเป็นต้นจนถึงอาศัยใจอาศัยธรรมะวิญญาณเกิดขึ้นเรียกว่ามโนวิญญาณความรู้แจ้งทางใจเปรียบเหมือนไฟเกิดจากไม้ก็เรียกว่าไฟไม้เป็นต้นแล้วตรัสแสดงหลักการเรื่องภูตะคือสิ่งที่มีที่เป็นว่า เกิดขึ้นเพราะอาหารดับไปเพราะดับอาหารถ้ารู้ความจริงอย่างนี้ด้วยปัญญาอันชอบก็จะละความสงสัยเสียได้แม้ความเห็นอันบริสุทธิ์ผ่องแผวนี้ก็ไม่ควรยึดไม่ควรติดเพราะทรงแสดงธรรมะอุ ป, ปมาด้วยแพรเพื่อให้ถอนตัวไม่ใช่เพื่อให้ยึดถือทรงแสดงอาหารสี่อย่างคือหนึ่ง กวลิงการอาหารอาหารที่กลืนกินผัสสอาหารอาหารคือผัสสะความถูกต้องมโนสันเจตนาอาหารอาหารคือเจตนาที่จะทำความดีความชั่ววิญญาณอาหารอาหารคือวิญญาณครั้นแล้วตรัสว่าอาหารทั้งสี่เหล่านี้เกิดจากตัณหาความทยานอยาก ตัญหาเกิดจากเวทนาเรื่อยไปตามหลักปฏิจจสมุปบาทจนถึงสังขารเกิดจากอาวิชชาเป็นปัจจัยและตรัสสรุปว่าอาวิชชาเป็นต้นเหตุให้เกิดกองทุกขเป็นลูกโซ่ไปโดยลำดับตรัสถามให้ภิกษุทั้งหลายตอบว่าความแก่ความตายมีชาติเป็นปัจจัย สาวหาต้นเหตุขึ้นไปโดยลำดับจนถึงอวิชชาอีกแล้วส่งชี้ให้เห็นทั้งสายเกิดสายดับสายเกิดคือเพราะมีสิ่งที่เป็นปัจจัยจึงเกิดสิ่งนี้และสายดับก็ทำนองเดียวกันเพราะดับอวิชชาโดยไม่เหลือสิ่งอื่นๆก็ดับไปโดยลำดับตรัสถามให้เห็นว่าเมื่อรู้เห็นอย่างนี้ ก็จะไม่คิดไปถึงที่สุดเบื้องต้นว่าได้เคยมีเคยเป็นหรือไม่มีไม่เป็นหรือไม่อย่างไรเป็นอย่างนี้แล้วเป็นอะไรต่อไปไม่คิดไปถึงที่สุดเบื้องปลายคืออนาคตว่าจะมีจะเป็นหรือไม่เป็นต้นไม่สงสัยปรารบปัจจุบันว่าเรามีเราเป็นหรือไม่เป็นต้นเมื่อรู้เห็นอย่างนี้ ก็จะไม่อุทิศศาสดาอื่นไม่ถือเอาเรื่องข้อวัดปฏิบัติและเรื่องมงคลตื่นข่าวของสมณะพราหมณ์ทั้งหลายว่าเป็นสาระและตรัสสรุปในที่สุดว่านี่แหละเป็นธรรมะที่เห็นได้ด้วยตนเองไม่ประกอบด้วยการควรเรียกเข้ามาดูควรน้อมเข้ามาในตนอันวินยูชนพึงรู้จำเพาะตน ตรัดต่อไปว่าเพราะประชุมเหตุสามอย่างคือหนึ่งมารดาบิดาอยู่ร่วมกัน 2. มารดามีระดู 3. คนทันปรากฏจึงมีการตั้งคันถ้าขาดข้อใดข้อหนึ่งก็ไม่มีการตั้งคันคำว่าตั้งคันแปลหากจากคำว่าการก้าวลงของสัตว์ในคัน มารดาบิดาบริหารคันอันนับเป็นภาระหนักด้วยความสงสัยอันใหญ่ตลอดเวลาเก้าเดือนบ้างสิบเดือนบ้างแล้วก็คลอดและเลี้ยงเด็กที่เกิดนั้นด้วยโลหิตของตนด้วยความสงสัยอันใหญ่แล้วตรัสว่าคำว่าโลหิตในอริยวินยัยคือน้ำนมของมารดาครั้นแล้วส่งแสดงถึงการที่เด็กนั้นเจริญวัยขึ้น เล่นของเล่นต่างๆของเด็กจนกระทั่งเติบใหญ่ขึ้นร่างพร้อมด้วยการมาคุณห้าคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏพะที่น่าปรารถนารักใคร่ชอบใจเห็นรูปเป็นต้นก็กำหนัดในรูปที่น่ารักขัดเคืองในรูปที่ไม่น่ารักไม่มีสติตั้งมั่นไม่รู้เจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันเป็นที่ดับแห่งอกุศลธรรมทั้งปวง เมื่อละความยินดียินร้ายไม่ได้สเสวยเวทนาเป็นสุขเป็นทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์ก็ชื่นชมยึดถือเวทนาจึงเกิดความพอใจความยึดมั่นถือมั่นเกิดพบเกิดชาติโดยลำดับจนถึงเกิดความคับแค้นใจนี้เป็นความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งปวง ทรงแสดงถึงการที่พระตถาคตทรงเกิดขึ้นในโลกมีผู้สดับธรรมออกบวชตั้งอยู่ในศีลสมาธิจนได้ฌานที่หนึ่งถึงที่สทํานองเดียวกับข้อความในสามัญญพ ล, ลสูตรผู้นั้นไม่กำหนดในรูปที่น่ารักไม่ขัดใจในรูปที่ไม่น่ารักมีสติตั้งมั่นรู้เจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันเป็นที่ดับแห่งอกุศลธรรมทั้งปวง เมื่อละความยินดียินร้ายได้เสวยเวทนาก็ไม่ชื่นชมยึดถือเวทนาความพอใจความยึดมั่นถือมั่นจึงดับไปเป็นเหตุให้ดับภพบดับชาติโดยลำดับจนถึงดับความคับแค้นใจนี้เป็นความดับแห่งกองทุกทั้งปวง